บทที่หนึ่งณท้องพระโรงแห่งคนครปาตาลีบุตรภายในห้องบรรทมแห่งกษัตริย์คนครปาตาลีบุตรประทีปโคมไฟแสงสลัวห้ลงจากเพดานสีแดงมีลวดลายวิจิตประทีปดวงน้อยแสงริบ ป, ปรีอยู่ทางด้านขวาของเตียงบรรทม สองให้เห็นพระพักซึ่งเต็มไปด้วยความวิตกกังวลของกษัตริย์ชราพระมาสุขาวโพลของพระองค์ซึ่งได้เปลี่ยนสีมาตามวัยแห่งเจ้าของแม้จะทำให้พระพักดูจืดไปบ้างแต่ยังมีแววแห่งความงามเหลืออยู่มิใช่น้อยนานๆครั้งจะเห็นพระองค์ทอดพระเนตรมาทางพระมเหสีและเสนาบดี มุกอมา ร, ราชาสเสวกซึ่งแวดล้อมพระองค์อยู่เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วทรงถอนพระทัยลึกๆพร้อมด้วยยกพระหัตถ์ขึ้นกายพระนาราศมีพระอาการตรองอย่างลึกซึง้งจินตนาการของพระองค์ไหลวนเวียนเสมือนกระแสธารที่คุ้มคตวกวนและหมุนเวียนห่วงหน้าพระวงหลังบางครั้ง พระองค์ก็ทรงระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ28ปีที่ผ่านมาสมัยเมื่อขึ้นเสวยราชใหม่ๆสมัยนั้นยังทรงมีพระกําลังวังชาสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติสลิงคารน า, น, านารัตนะซึ่งมุกอัมมาศเสนาบดีทูลก้าวถวายตามขัตติยาราชประเพณีสังหาริมทรัพและอสังหาริมทรัพทั้งมวล ล้วนไพรฟ้าค่าแผ่นดินทั่วขอบขันทสีมาอนาเขตเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวบัดนี้พระองค์กำลังจะละทิ้งสิ่งทั้งปวงไว้เบื้องหลังโดยที่สุดแม้แต่พระสรีระของพระองค์เองก็ไม่สามารถจะนำพาไปได้ชีวิตเป็นอย่างนี้เองเริ่มต้นด้วยสิ่งที่น่าละอายทรงตัวอยู่อย่างเร่าร้อนและจบลงด้วยเรื่องเศร้า พื้นฐานของชีวิตที่แท้จริงนั้นเต็มไปด้วยความโศกแม้ผู้ที่มีนามว่าอโศกก็ต้องโศกไปตามพื้นฐานแห่งชีวิตนั้นแสงไฟในห้องบรรทมสว่างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยราชาสเสวกผู้หนึ่งนำชายชาราหนวดเคราวขาวรูปร่างสูงใหญ่แต่งกายด้วยชุดขาวล้วนผู้หนึ่งเข้ามาพระราชายกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการ พระมเหสีมุกอมาตราชบริพานกระทำตามไปด้วยเมื่อนั่งลงณนะที่สมควรส่วนหนึ่งแล้วชายชรากล่าวขึ้นว่ามหาบอพิษในนามแห่งพระพรมผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นปรมาตามันอาตมาภาพขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระชนมายุยืนนานต่อไปเพื่อปกป้องไพรไ ฟ, ฟ้าข้าแผ่นดินให้เป็นสุข เพราะพระบารมีแห่งพระองค์พระเจ้าปินทุสารกษัตริย์ชรายกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการอีกครั้งพร้อมด้วยตรัสตอบว่าท่านพราหมณ์ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในอำนาจแห่งพรหมลิขิตข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระพรหมท่านคงลิขิตชีวิตของข้าพเจ้าให้สิ้นสุดลงในไม่ช้านี้คงไม่ข้ามคืนนี้เป็นแน่แท้ ขพเจ้าขอขอบพระคุณท่านที่อวยพรให้ชีวิตขพเจ้ายืนยาวต่อไปแต่แต่คงจะหวังไม่ได้เช่นนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตความตายจะต้องมาถึงขพเจ้าในไใม่จ้าปรับดังนี้แล้วทรงสงบอยู่ครู่หนึ่งพระเนตรจับเพดานนิ่ง มหาบอ่อพิษพรามชรากล่าวช้าๆแต่หนักแน่นพระองค์อย่าได้ทรงวิตกถึงเรื่องนี้เลยว่าโดยความเป็นจริงตามหลักแห่งพระเวทและพระมณศาสตร์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายมันเป็นเพียงการเปลี่ยนสภาพจากฐานะหนึ่งไปสู่อีกฐานะหนึ่งเท่านั้นพระพรหมเป็นปรมาตามัน เป็นอมตะบุคคลและสัตว์โลกทั้งสิ้นเป็นชีวาตามันแยกออกจากพระพรหมเป็นอาตามันน้อ ย, อยแยกออกมาเป็นอาตามันใหญ่เมื่อพระพรหมเป็นผู้ไม่ตายพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระพรหมก็เป็นผู้ไม่ตายด้วยสิ่งที่ตายนั้นถือกาเนิดมาจากสิ่งที่ตายทุกคนเมื่อทำตนให้บริสุทธิ์แล้ว ย่อมเข้าสู่ปรมาตามันเดิมเป็นอมตะอยู่ชั่วนิรันด์แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่ท่านพราหมณ์กล่าวถึงข้าพเจ้าจะเข้าสู่ปรมาตามันได้อย่างไรพระราชาตรัสถามพร้อมด้วยผินพระพักมาทางพราหมณ์ผู้เท่าผู้นั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ประกอบกรรมชั่วอะไร ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงกระทำแต่กรรมดีให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทวยราษฎร์น่าจะเป็นกุศลส่งผลให้พระองค์มีความสุขในสวรรค์รวมอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าได้พรามเท่าซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเจ้าพินทุสารสาธยายปรัชญาพรามอีกหลายเรื่องให้พระราชาทรงเบาพระทยัยในสำปรายาพบแล้ว ถาวายพระพรลากรับพระเจ้าพินทุสารสงบพระทัยหลับพระเนตรอยู่ครู่หนึ่งเมื่อลืมพระเนตรขึ้นตรัสเรียกอัครเสนาบดีรัฐคุปเข้าไปสู่ที่ใกล้แล้วตรัสว่าเศนาบดีบัตรนี้สุสิมราชกุมารหลูกรักข้องเราอยู่ตักาสิลามีใช่หรือพยคัคฆะเสนาบดีทูลรับ เราปรารถนาจะมอบราชสมบัติแก่สุสิมะขอให้เสนาบดีจัดบุคคลผู้เหมาะสมไปรับสุสิมะมานครปาตาลีบุตรแล้วให้อโศกุมาลส่งครองอยู่อุจเฉนีไปกรองตะ ก, กศิลาไปพลางพลางก่อนพระราชาตรัส ด, ด้วยสีพระพักเฉยอัครมหาเสนาบดีรัฐคุปไม่ได้ทูลรับ หรือต่อพระราชาแต่ประการใดเขาคงนั่งคุกเข่านิ่งอยู่นริมเตียงบรรทมขณะนิ่งอยู่นั้นเขาคิดคิดถึงราชสมบัติแห่งนครปาตาลีบุตรคิดถึงราชบัลลังก์แห่งมรโคตอันเกรียงไกรซึ่งเขามีส่วนรับผิดชอบราชบัลลังก์ให้ตลอดปลอดภยัยมาตลอดรัชกาล ร, ระหว่างความประสงค์ของพระราชากับความรุ่งเรืองแห่งราชบัลลังก์ เขาควรจะเลือกเอาอย่างไหนประกอบด้วยความเกลียดชังเป็นส่วนตัวต่อเจ้าชายสุสิมะเขายัางจำได้อย่างแม่นยําถึงเหตุการณ์วันหนึ่งซึ่งเขาออกจากพระนครและสวนทางกับเจ้าชายสุสิมะซึ่งเสด็จกลับจากราชอุทยานเจ้าชายได้โยนเกาะพระหัต์มาถูกศีรษะเขาเจ้าชายจะทรงมีเจตนาประการใดก็ตามเถิดแต่การกระทาเช่นนั้น เป็นการมิบังควรเป็นอย่างยิ่งที่พระยุพ ร, ราชจะพึงแสดงต่ออัครมหาเสนาบดีของสมเด็จพระราชบิดาเขาคิดว่าพระรา ช, ชกุมารผู้นี้ขณะ ด, ดำรงตำแหน่งพระยุพ ร, ราชอยู่ยังกล้ากระทำต่อเขาถึงป่านนี้ถ้าขึ้นครองราชเมื่อใดคงจะข่มเหงรังแกเสนาบดีและขระจริพาน พระองค์คงจะไม่ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่วันนั้นมาเขาเคยกล่าวชักชวนเสนาข้าราชการให้ตีตนออกห่างจากเจ้าชายสุสิมะให้ใคลายความจงรักภักดีแต่กลับหันมาส่งเสริมรักใคร่เจ้าชายอาโศปรารธนาจะยกขึ้นสู่ราชบัลลังก์หลังจากพระเจ้าพินทุสารสิ้นพระชนแล้ว เสนาบดีท่านมีความคิดประการใดทำไมเฉยอยู่พระราชาตรัสพระเนตรยังคงจ้องจับเพดานห้องบรรทมข้าพระพุทธเจ้าเสนาบดีทูลขอประธานพระบรมราชวรโรกาสเพื่อปรึกษากับมุกอมาต ร, ราชมนตรีอื่นๆสักเล็กน้อยในการเตรียมการเพื่อทูลเจ้าชายสุสิมะและเจ้าชายอาโศกพยค่ะ ตามใจท่านพระราชาตรัสอัครมหาเสนาบดีออกจากที่เฝ้ามาสู่ท้องพระโรงราชมนตรีเช่นผู้ใหญ่นั่งประชุมกันอยู่พร้อมพรัง่งเพื่อรอฟังพระอาการแห่งพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเห็นอัครมหาเสนาบดีออกมีสีหน้าเคร่งเครียดดังนั้นเข้าใจว่าพระราชาคงสิ้นพระชนแล้ว ทุกคนลุกขึ้นแสดงอาการคารวะเสนาบดีเมื่อทุกคนนั่งลงแล้วอัครมหาเสนาบดีกล่าวขึ้นในที่ประชุมว่าท่านทั้งหลายบัดนี้พระราชาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายมีพระอาการหนักทรงวิตกว่าจะดำรงพระชนชีพไปไม่ได้นานมีพระประสงค์จะทูลเจ้าชายสุสิมะ สเสด็จจากตักกศีลาเพื่อรับราชสมบัติและให้เจ้าชายอาโศกไปกรองตักกศีลาแทนเจ้าชายสุสีมะท่านผู้ใดมีความคิดเห็นประการใดขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นรัชมนตรีผู้หนึ่งยกมือขึ้นเมื่อได้รับอนุญาตให้พูดแล้วเขากล่าวว่าข้าแต่ท่านอัครมหาเสนาบดีข้าพเจ้าเห็นว่า รัชสมบัติควรตกแก่เจ้าชายอาโศกทั้งนี้เพราะกุมารองค์นี้เป็นที่รักเคารพของไพร่ฟ้าขาราชการทุกโมูลาวทรงเข้มแข็งเด็ดเดียวอาจจะนำราชบัลลังก์ปาตาลีบุตรไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้ส่วนเจ้าชายสุสิมะนั้นแม้จะทรงเป็นเชิทออรสของพระเจ้าอยู่หัวก่อจริงแต่ทรงอ่อนแอเกินไป ตัวอย่างที่ข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นก็คือเมื่อตักกศิลากบฏพระราชาทรงส่งเจ้าชายสุสิมะไปปราบแต่ไม่สามารถปราบให้สงบได้ต้องอาศัยเจ้าชายอาโศกจากอุดเชนีเสด็จไปปราบจึงสงบปราบขาบลงด้วยเหตุผลเพียงย่อๆบางประการนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าราชบัลังปตาตลีบุตรควรจะตกแก่เจ้าชายอาโศก รัฐมนตรีผู้นั้นนั่งลมอัครมหาเสนาบดียิ้มอยู่ในหน้าข้าแต่อัครมหาเสนาบดีรัฐมนตรีผู้หนึ่งลุกขึ้นพูดบ้างตามที่ชัยเสนพูดมานั้นข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ชอบด้วยเหตุผลประการหนึ่งว่าตามขัตยราชประเพณีรัชสมบัติควรตกแก่เชตทโอรสอีกประการหนึ่งเจ้าชายสุสีมะนั้น ทรงเป็นที่สนิทเสนหาอย่างยิ่งของสมเด็จพระราชบิดาและบัดนี้พระองค์ก็ทรงประชวนหนักเมื่อพระองค์ประสงค์จะให้เจ้าชายสุสิมาสืบสันตติวงศ์ก็ควรจะให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยพวกเรามีหน้าที่จะต้องจัดเรื่องราชสมบัติเราเป็นข้าราชการหน้าที่ของเราก็คือคอยถวายความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอว่าราชบัลลังกาตาลีบุตรควรจะเป็นของเจ้าชายสุสีมะท่านนาคพันธ์อ้างถึงพระเชษฐาโอรสและความประสมของพระเจ้าอยู่หัวรัฐมนตรีผู้หนึ่งพูดขึ้นข้าพเจ้าอยากทราบว่าถ้าเชษฐาโอรสของราชบัลลังก์ใดเป็นบ้ายหรือหูหนวกผู้เป็นอัครมหาเสนาบดี และราชมนตรีจะยึดถือคัตยาราชประเพณีให้เชตโอรสครองราชบัลลังก์ตามความประสมของพระราชาหรือแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเจ้าชายอาโศกไม่ควรจะครองราชบัลลังก์ปัตลีบุตรในช่วงนี้น่าขัพันยืนยันแล้วใครควรจะครองอ克รมหาเสนาบดีสวนขึ้นควรจะเป็นใครท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้ว นาคพันตอบหรือท่านอยากจะเป็นเสีเองเสนาบดีย้อนอย่างเกลี้ยวกราอดท้องพระโรงเงียบกรินบนาคพันนั่งก้มหน้าก็ารู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเขาพูดตามเหตุผลและตามความรู้สึกแท้จริงไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าอัครมหาเสนาบดีจะมีความต้องการอย่างรุนแรง ที่จะถวายมงกุฎเสวยตระฉาดแห่งปาตาลีบุตรนครแก่เจ้าชายอโศกเขาทราบดีว่าอัครมหาเสนาบดีรัฐคุปผู้นี้มีอำนาจเพียงใดนอกจากพระราชาพินทุสารแล้วใครแล้วจะมีอำนาจเสมอเหมือนอัครเสนาบดีผู้นี้อำนาจเป็นใหญ่ในโลกถูกแล้วอำนาจเป็นใหญ่ในโลก ผู้มีอำนาจย่อมพูดเสียงดังได้เสมอเมื่อผู้มีอำนาจพูดผู้ได้อำนาจก็ต้องฟังจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ต้องฟังผู้มีอำนาจเมื่อไม่ใช้อำนาจเขาจะใช้อะไรบางคนใช้เงินเป็นอำนาจกดขี่ข่มเหงคนมีเงินน้อยซึ่งยอมตนเข้ามาพึ่งบารมีมนุษย์ประเภทนี้กระหึมครึมคลางอยู่เสมอว่าฉันใช้เงินของฉัน ฉันไม่ได้ใช้คนเขาจึงใช้คนอย่างไร้ความปราณีเพราะมั่นใจอยู่ว่าเขาไม่ได้ใช้คนซึ่งมีเลือดเนื้อและชีวิตจิตใจแต่เขาใช้เงินต่างหากเล่าตรีที่มีความงามเป็นอำนาจคอยบังคับขู่เข็นให้มนุษย์ผู้ชายคอยสยบลงแทบเท้าของเธอเศรษฐีมีเงินเป็นอำนาจข้าราชการมีตำแหน่งหน้าที่เป็นอำนาจ ข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าใครจะใช้อำนาจโดยธรรมหรือใช้อำนาจโดยไร้ธรรมเท่านั้นผู้ใดใช้อำนาจโดยธรรมรมย่อมคุ้มครองให้อำนาจของผู้นั้นยั่งยืนถาวรผู้ใดใช้อำนาจโดยไร้ธรรมอธรรมนั่นเองจะหันกลับมาทำลายอำนาจของเขาให้สิ้นสูดในภายหลังท่านทั้งหลาย อัครมหาเสนาบดีทำลายความเงียบขึ้นผู้ใดเห็นว่าเจ้าชายอโศก ค, ควรจะครองรัชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระราชบิดาโปรโดยกมือขึ้นท้องพระโลงสลอนด้วยมือของราชมนตรีผู้ใดเห็นว่าเจ้าชายสุสีมะควรกรองราชบัลลังก์ปัตลีบุตรโปรโดยกมือขึ้นอัครมหาเสนาบดี พูดในตาจ้องจับอยู่ที่น้าขัพันแต่นคกขัพันคงนั่งเฉยเขาไม่ได้ยกมือทั้งสองครั้งรัฐมนตรีสภาปรึกษาหารือกันอยู่อีกนานในการหาอุบายเพื่อให้เจ้าชายอโศกได้สืบพระราชสมบัติแทนสมเด็จพระราชบิดาเมื่อหาอุบายซึ่งเข้าใจว่าแยบยนต์ดีแล้วอัครมหาเสนาบดีก็ปิดประชุม